ซีธรรมะบรรยายจุดฟังทีไรได้สุดเพีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ออบิญโตวัชยานเุเบศกรตำบลบางระทึกอำเภอสาม ร, ราษฎรจังหวัดนครศรมเรื่องที่7ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็ขั้นเป็นตอนตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2538คือคนเราที่พัฒนาถูกต้องตามกฎธรรมชาติแล้วเนี่ยความสุขมันจะมีมาถ้าพัฒนาผิดปั๊บเกิดปัญหาทันทีอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ย ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตของการฝึกฝนชีวิตองการเรียนรู้มนุษย์นั้นอยู่ด้วยการเรียนรู้แทั้งนั้นเลยชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพียงในสันตสยะสัจธรรอื่อนนั้นอยู่ได้ในสันต 3, ิสุรยเป็นยัง uhm. ไงล่ะสัจธรรมอื่นนั้นเกิดมาปั๊บก็ ร, รู้ในสันตาสที่จะที่จะเดินจะกินจะหาหากินตเขาทาไปได้มีชีวิตยอยู่รอดเช่นว่าออกจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้เลยหากินได้เลยว่าน้ได้เลยแต่มนุษย์เรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ชีวิตอยู่ได้ด้ ทเท่าไรน่เลยเหรสปีแล้วเลยครแย่เลยนะ <S <S แสัตว์อื่นมันวันเดียวไปได้แหละนะแต่วาม น, ม, นมนุษย์นี่แย่จริงๆแย่ที่สุด <S 1> <S 1> คืออศาศัยสันทร์แสงาทิตไม่ได้เลยต้องเรียนรู้ไลต้องฝึกหมดเลยหนึ่งปีแรกนี่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะปีเพิ่งจะเริ่มเดินแะเริ่มพูดเริ่มจะช่วยตัวเองได้ในระยะที่ผ่านไปนั้นการกินการนอนการทับทายการลุกนั่งต่อมาการเดินการพูดต้องฝึกเทนั้นใช่ถ้ามีคนอื่นช่วยเราต้องฝึกเั้นมนุษย์นี่ชีวิตอยู่ได้ด้วย ทีนี้ามนุษย์รู้ Studio, ทำชาวใชตัวเองว่าอยู่ได้ในการฝึกนี้มนุษย์สร้างิ่สมึกในการฝึกว่าเราเนี่ยต้องฝึกชีวิตเราจะดีทีนี้มนุษย์จนวนมากเนี่ยไม่รู้หลักนี้ถ้าที่ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ในการฝึกก็เลยฝึกได้ความจาใจคือมันฝึกไปเองโดยการสถ่อารอากาศบรรทับใช่มสื่อสานอากาศบรรทัพก็ต้องฝึกไปฝึกไปเท่าที่จาเป็นอ่าพอพ้นภาวะจำเป็นพอดูได้ก็เลิกฝึกทีนี้มนุษย์ที่รู้มีส right ติปัญญาเขารู ies, Dios, <ts> ้ว่าอ๋อเราเนี่ยอยู่ได้ในการฝึกเฉะนั้นเราต้อง ฝึกยางมีหลักทำที่ตั้งใจฝึกพาฝึกต่อไปนี่ฝึกพัฒนาขึ้นเรื่อยเจอกันทั้งเป็นพุทธะได้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเรื่องหลักการฝึกการสึกสารีเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยเป็นมนุษย์ต้องฝึกตนมนุษย์จะประเสริฐได้การฝึกทนั้นก็ให้พระพุทธเจ้าเป็นแบบไว้ว่าพอเราถึงพระพุทธเจ้านีไงมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ได้ประเสริฐสมบูรณ์เนี่ยต้องฝึกเรามีความสามารถในตัวที่จะได้อยู่แล้วมันเป็นศาสตร์ที่ฝึกได้เลยต้องฝึกเราก็ต้องฝึกตัวเองพรเราฝึกตัวเองนี่เราจะมี คือจะเป็นคนเข้มแข็งแล้วจะมีลักษณะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเป็นคนฝ่รู้เพราะการที่จะฝึกตัวเองได้ก็คือจะทำอะไรได้เรี่ยต้องฝ่รู้แตด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือจิตสในการฝึกเนี่ยมให้เป็นคนสู้สิญญ่งยากนี่คู่กันเลยนะฝ่รู้สูญญ้สิ่งยากพรเป็นคนสู้สิ่งยากไปจิตสติในการฝึกตนเะนี่ยมันมองสถานการณ์อะไรแต่อะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้งฝึกตัวเองไปดเลยเพราจะฝึกตัวเองมองว่ามนุษย์เราที่เข้มแข็งเก่งนี่ประสบความสำเร็จนี้มาจากการเผชิญปัญหาแล้วก็คิดแก้ไขเพียงพยายามใช่ไหม ทิศทางแก้ปัญหาไปในพัฒนาเก็เก่งกลส้สทธิเพรา ะ, ะนั้นมนุษย์ที่ประสบความสเร็จโดยทั่วไปนี่จะประสบความสเร็จจากการที่ได้เผชิญปัญห า, าได้พบสถานการณ์ที่ยากแลพัฒนาตัวทีนีคนที่ไม่เคยประสบสิ่งที่ยากและปวรตก็ตเลยไม่ได้พัฒนาตัวเจออะไรง่ายๆมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากกายเป็นเครื่องฝึกมนุษย์เราได้ยันดีเพรา ะ, ะนั้นเราต้องพัฒนาตนการที่เผชิญสถานการณ์แล้วก็พยายามแก้ปัญหาในจิตสำนึกในการศึกษาในการศึกษานี่ก็จะมาทำอันนี้ที่นี่ ถ้าไม่มีจิตสติในการฝึกตนไม่มีความสู้สิ่ยากพอเจอปั๊บไม่อยากทำมันยากถอยเพราะถอยใจไม่สู้แล้วเป็นไงจใจทเพราะจเป็นต้องทำจใจทาก็ทุกข์ะีใจมีความทุกข์ใจไม่สบายแล้วก็ไม่ตั้งใจม่ไม่ตั้งใจก็ไม่ด้ผลดีใช่ไหมใจก็ไม่เป็นสุขด้วยงานก็ไม่ค่อดผลด้วยเรียนก็ไม่ค่อดผลทีนี้พอมีจิตสติในการฝึกตนเจอปั๊บอเนียยากก็ดีสิเราจะได้ฝึกตัวเองมากใช่มอะไรยากเราไ้สู้เราได้คิดเราได้ฝึกตัวเองมากชอบใจเข้าสู้เลยงานที่ยากบทเรียนที่ยากเพราะว เราเป็นสุขเราก็ตั้งใจทำอีกได้ผลด้วยเราเป็นสุขด้วยระหว่างทาไปนั้นคืบหน้าไปก็มีความสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งในใจที่สร้างขึ้นมาจากธรรมชาตินี้ทำให้คนหาความสุขได้เลยนี่คนที่ไม่สู้สิ่งยากไม่มีจิตสนการสืบเ น, นี่ยจะเต็ไปด้วความทุกข์เจออะไรหน่อยทุกแล้วเจออะไรหน่อยทุกแลเะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่สูญวามสามปรารถนาไปหมดเลยใช่ไหมไม่มได้อย่างใจไปหมดเลยอันนั้นก็จะต้องทที่จะต้องทำมาเจออะไรมันทุกครั้งนั้นเลยแต่คนที่มีจิตสติในการสืบม เราสมมติว่าเราเนี่ยนะเลี้ยงดูเด็กรนเพลำบมบเรือมากพนเพล่ำบมบเลอมากก็เด็กก็สบายใจจะเอาใจตัวเองเด็กเราเลี้ยงดูอย่างรนเพลำบบเรือให้มีความพร้อมพร้อมนะสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นคนที่ทุกได้ห่อยทุกง่ายเพอะไรเพราะว่าำบมเลอ็นหพร้อมขาอะไรนิดนึงทุกทันทีไม่ได้ตามใจนิดทุกทันทีทุกได้ง่ายเพิ่เิโอกาสที่จะทูกไดเสมอเพราะไม่เด็จันใจไม้เด็ดตามใจเนี่ยาอันนั้นไปอันนี้ไปทุกไร้เลยเลย นิฝ่ายเด็กที่สู้สิ่งยากนะพัฒนาตัวเองพัฒนาข้างในพร้อมพอสู้สิ่งยากนี่มันสุกได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันทาอะไรก้าหน้าไปประสบความสำเร็จก้าเปนิดนึ่งความลำบากลดลงนิดหนึ่สุขทันทีนะความลบากลดนิดสุทันทีนะก้าวไปนิดนึ่งสุกทันทีแล้วทุกเดียบไงเพราะว่าความลำบากนี่เจอมาก ม, มายแล้วมากนิดนึงไม่มีปัญหาไม่ทุกเลยนะพะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในยุกที่เต็ ม, มไปบ้วสิ่งำอำนวยความสะดวกสบายขั้นพร้อมเนี่ยคนเราจะเป็นคนที่ใจสอกเปลาางอ่อนแอใจสกนะุกได้ง่ายเพราะ ในพัฒนาสู้ปัจจัยยากลำบากมันจะมีความเข้มแข็ง แ, งและเป็นคนที่ทุกได้ยากอะไรที่ทาให้เขาทุนทำได้ยากแต่เขาจะสุได้ง่ายคนท่านนี้ก็มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะอยู่ในโลกนั่นเราต้องพัฒนาคนให้ได้ดงุคภา ค, คในขนที่สภาพชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบรงความ ส, สุขอำนวยความสะดวกสบายแต่นมจิตใจปนในทางที่เห็นในความสะดวกสบายอ่อนแอตามใจตัวเองคนพวกนี้ก็จะต้องต้องมีสิ่งบำรุงบำรุความสุขมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจึงจะสุขได้นีเพราะว่าไอ้ดีๆที่จะทำให้มีความสุขนั้นมันต้องเพิ่มเพราะ เขาก็ยิ่งต้องการสิ่งที่ง่ายอำนวยความสะดวกมากขึ้นเพื่อจะให้เขาสุขท่าเดิม อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ง่ายในธรรมชาติเรื่องธรรมดาๆขึรร้นเนี่ยอย่างคนสมัยก่อนปู่ป้าตายายของพวกเราเองนะหรือคนจำนวาในประเทศไทยเนี่ยอย่างคนจีนมาจากเมืงจีนสืบพื้น้นใบเมื่อร้อปีก่อนเจ็ดสิบแปดสิี่นเะข้ามาอดมือ้อกินมือ้อคยันทำงานยากลำบากหรือต่อสู้ความยากลำบากส้าเรื่อสร้างตัวเป็นเศรษฐีมาในระหว่างนั้นที่อดมื้อกินมื้อแสบยากลำบากนั้นะนะอยู่ได้ไม่ ในประเทศที่คนแรนแค้ยากลำบากปรากฏว่าแทบไมมีคนทัายอินเดียมีคนทักตตายโอ้โหากได้ลำเค็ญเหลือเกิ น, นเอาเอาที่ง่ายๆคู่กันประเทศอเมริกากับเม็กซิโกอเมริกาที่พัานพร้อมเหลือเกินและเม็กซิโกที่ยากจนเหลือเกินใช่คนเม็กซิโกนี่พยายามจะเล็ดหลอดหนีเข้ามาทงานในเมืองอเมริกาที่ชายแดนนั้นมาอยู่เต้ไปหมดเลยมันแต่ตมาเคนไปนะที่ชายแดนเม็กซิโกเขาชี้ให้ดูเลยมารอกันอยู่ตามชายเขตแดนหาช่องจะเจ้าหน้าที่เื่อปักเป็นดิเาเขตอเมริกาเพื่อจะมาหางานทำเพั้นแรนแคนยาจน แล้วเป็นยังไงระหว่าง2ประเทศนี้ประเทศอเมริกาที่พ้อพร้อมกับประเทศเม็กซิโกที่ยางจนสถิติคน่าตัตายอเมริกาฆ่าตัตายมากกว่าเม็กซิโกประมาณเเท่าประเทศีนแคยางจนไม่ฆ่าตัตายคนนี้มีภูมิคุ้มทานมีภูมิคุ้มกันความทุกข์สู้ความทุกข์ได้แต่คนที่พร้อมพร้อมนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์เลยใจเาะนั่นไม่ได้อย่างใจขาดความพร้อมพร้อมนิดหน่อยฆ่าตัตายแต่การตนม่ก่อนเมื่อตอนที่จัสร้างเรือสร้างตัวเรือพาลสหัสทะยันบันผิวก็ไม่ฆ่าตตายสมัยก่อนนีเขาเป็นสังคม พอเดินมากขึ้นมากขึ้นนีโอ้งานการมันยุ่งหรือเกวุ่นวายนั้นคนหนุ่มคนสาวก็วุ่นวายกับการทางานการการทำาหากินก็เสียไปอย่างถึงมเวลาดูแลคนแก่ปรากฏว่าคนแก่ในเมกกาในมือฝรั่งที่ถูกทอดทิ้งมากันั้นคนแก่ก็หนาก็ว้าเวโดยตาตรวว่าคนแก่ฆ่าตัวตายมากในเมิกานะเรื่องใคนแก่ฆาตัวตายมากเพราะถูกทอดทิ้งนี่ต่อมาพอสังคมมีการพร้อมในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนอีกเปลี่ยนมาตอนนี้เป็นคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมลาทปัญหาประเทศเมกกาก็คือมีคนวัยรุ่นฆ่าตัวตาย ทนพูไม่ได้ขาดแทนละนิดไม่ได้นั่นเป็นคติที่เราระวังไว้นี่คือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและในการเลี้ยงดูลูกด้วยนะเลี้ยงดูลูกถ้าพืตามใจมากเด็กใจสอบปลอบบางอ่อนแอเป็นคนที่ทุกในง่ายสุดได้ยากแล้วต่อไปในสังคมนี้เขาจะมีปัญหาดันั้นเราต้องพัฒนาด้วยความรู้ทางที่ว่านี่นะถ้าากว่าพัฒนาจิตสมดุลในการสูตรต้นเราจะทำให้เด็กที่คนเข้มแข็งจะสู้สิ่งยากแล้วก็จะหาความสุขได้ตลอดเวลานี่สังคมมีความพร้อมง่ายขึ้นเขาทิ้งสูบใหญ่เลยดังนั ไบวก้าน่จะไปลบอีกานึงบวกหลบบวกลบอยู่เนี่ยมันนทุกทีานั้นต้องบวกทั้ง ข, ข้างพัฒนขขาวัตถุให้ังพร้อมพัฒนาคนใหนเ้เข้มแข็งยิ่งขึ้นก็บวกหบวกหนึ่งก็เป็นสใช่ก็ดียิ่งขึ้นเลยไปอันนี้ก็เป็นขันหนึ่งแล้นะการพัฒนาความสุขในแบบที่3นันใช่คือการที่ดนเนยชีวิตและฝึอฝนพัฒนาทิศของเราให้สอดคล้องและผ เ, เป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราไม่หลงสมมติไม่ไปล่อยชีง อย่างนั <quote> ้นเดี๋ยวขอยุสักนิดนึงนะทีนี้ลองดูซะอีกสสุดจะเป็นยังไงนตอนนี้มีปัญหาสงสัยอะไรมัเดี๋ยวขอวเ่อของอาจ่งานชาาาตอนนี้่มีปัญหาว่าคนคนส่่นางานไม่คมีวามเพราะว่าคําเบา้การนเป็นปัญหาดนวาเป็นร่าว่าเานแ่น้แล้วผมว่าเราทานนี้ก็น่าจะได้รับความเติโตาบันกชาเจนาดมเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องรดับไปที่ขหนไม่เหมือเ มัเจอวกร่าายที่มันได้ดีเามีคุค่าองมันเองนะคะเขาไม่ยมีคือไม่ด้จัจนะการกิดแก่มาเขว่าก็จะมีความสุขจัดหนักทำก็คือจะทำมันค่ะค่าที่มมันแตะการวัดค่ามันเลวร้ายว่านั้นว่าบาทีการทำมันได้รับมอบหมายงานที่ไม่ไม่ถนัดในตรงนั้นหรือไม่ก็เป็นรักษาแค่งานทำมันจะมองว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ก็เลยเลยถามว่าจะต้างทำยังไงหรือว่าต้องใช้กาตทำข้อไหนที่จะไม่ถือใดทำงาตัวเดียวตัวที่ดาวองเราจะมองว่าถ้าบางแฉก ทถูทกาาว่ า, าอสังคมมนุษย์เราซับซ้อนเมื่อยิ่งซับซ้อนขึ้น ป, ปัญหาก็ดิ่งเกิดมากขึ้นเพราะว่าไอ้ระบบสมมติเนี่ยมันจะมันเข้ามาบังไอ้ตัวความจริงในธรรมชาติมากขึ้นงนั้นมนุษย์จะต้องพัฒนาตัวมากขึ้นเพื่อจะรับกสถานการณ์ซับซ้อนของโลกมนุษย์นี้นในซับซ้อนหนึ่งก็คือซับซ้อนทางปัญญาเพราะปัญญาเราจะเจาะทะลุไปไมเห็นคุณค่าของงานที่ทที่เป็นของจริงในธรรมชาติเพราะตอนนี้มันบางระบบซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงแต่จะมองไม่เห็นว่าไอ้งานนี่มันมีคุณค่า ภาพสูทเราจะเห็นชัดว่าต้นไม้จะเดินงองต่งานบางอย่างนี่มันไม่เห็นว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นมานั่นเราก็ต้องมีปัญญาและอิทอิพที่ว่าเห็นความซับซอ้อนชื่นโยงกันสัมพันธ์ยังไง่างา น, า, นานนี่มันส่งผลตอบไปถึงกรท่านเกิดผลดีต่อสังคมอย่างไรเกิดผลดีต่อชีวิตอย่างไร น, น, นี่นั่นึ่งอันหนึ่งนะซึน ง, งันนี้จะเป็นตัวที่ทาให้เกิดฉันทะซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดความดีดีพอใจก็ทำงานก็เป็นสุขอันนี้อันทีนี้ในกรณีที่ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่เกื้ ไม่ทาให้อะไรดีขึ้นแต่ว่ามัน <Reading> ีอย่างก็คืองานนั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเรางานทุกอย่างั้นนอกจากได้ในแง่ตัวงานที่เกิดประโยชน์ต่สังคมเป็นตัวแล้วงานทุกงานโดยปกติจะเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาาไในการทางานน้เรพัฒนาท่ติดตามในการดูร่วมสังคมนะรู้จักติดต่อสัมพันธ์กับคนรู้จักูจจ้าพัฒนาจิตใจคือความเข้มแข็งนะความรับผิดชอบความพยายามอดทนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นการพัฒนาในจิตใจเราแล้วพัฒนาปัญญาในการคิดแก้ปัญหาเป็นต้นอย่างน้อยเราก็มองว่าเอออะไรได้ เจ้านามอบงานที่ยากอะมองเป็นว่าเป็นโอกาสพัฒนาตัวเราสู้ดูสิอย่างน้อยเป็นบททดสอบว่าเราไหมใช่ไหมเราจะทำได้สำเร็จถ้าเราสเร็จได้แม้แต่งานที่ยากนี้เราก็น่าภูมิใจเราก็จะมีปติอิมใจเกิดขึ้นนี่บางคนเขาจะฝึกใจจนกระทั่งเคยนะเคยที่จะสู้สิ่งยากเนี่ยเพราะนั่นเจออะไรยากเอาสิ่งนั้นก่อนเนี่ยชอบทำอาชีพยากยากก่อนมันเคยนะฝึกยังไงมันได้ยังนั้น น, นะคนเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะถ้าไม่เห็นคุณค่าของงานโดยตรงก็ต้องเอาในแง่เป็นเครื่อ จิสตสมนึกในการสืบตนที่ทให้มองงานไปขึ้นพัฒนาตัวเองหมดแต่ถ้างานใดมันไม่อื่ต่อ ก, การพัฒนาชีวิตงานบางทนีนเน้นเราเห็นได้เลยนะเป็นงานที่ทำแล้วนี่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลงพฤติกรรมก็ไม่พัฒนาจิตใจก็ไม่พัฒนาป TA, ยิ่งตกต่ลงปัญญาก็ไม่พัฒนาเรื่องนี้ไม่ดีแน่ๆเราต้องหาทางให้พนไป้ได้เนดะีย๋ยวไปดูรืมัน น, น, นก็ลอ ง, ลอ ง, ลองพิจารณาดู เ, ร, เ, เรื่องพร้อมใช่ไหมการพูดเ ร, ร, ร, ร, ร, รื่องู้การรู้เรื่อยนร้มารรู้การรู้ออนนี้ที่มจรู้แล่รู้งะ้ คืราอยู่ในธรรมชาติคือไม่รู้ติดอยู่แค่สมมติแล้วก็เลยไปหลงสมมติถ้าเรารู้ไม่ถึงความจริงในธรรมชาติเราก็หลงสมมติเลย่ชีวิตที่หลงสมมติก็เป็นปัญหาทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมแต่สมงมก็จะวิติดตัวเแงด้วยพอแล้วก็ถึงธรรมชาติไม่แปกใจกับธรรมชาติว่ามันผมันตรงไปตามเรื่อสอดคองกันหมดเพราะสมมตินันตั้งขึ้นจากความจริงในกฎธรรมชาติถึงฐานรองรับก่อนใช่ไหมแต่ยังไม่มีอะไรก็ตอกันอีกหน่อยออดิวขอเ่มนทางนี้จะรีบหรือเปล่าดได้นออ เออก็ได้ทั้ง2อย่างแลต่ว่าถ้ามันมีความรักความยึดติดผูกพันก็ต้องยอรับความจริงตามธรรมชาติตามเหตุปัจว่าถุกจะต้องมาเพราะว่าเมื่อมีความยึดติดผูกพันปั๊บก็เกิดความหวงถ้าไม่หวงแหงก็หวงใช่หมไอหวงกระหวงนี่ีก็ท้งหวงัหวงไอตัวหวงตัวงก็ทให้เกิดทุกข์ใช่เพราะนั้นนีไม่พ้น นั่นก็ต้องพัฒนาดีๆว่าทำงา น, นจะไปพ้นจากความหวงและความหวงใช่ไหมพอเราพัฒนาดิต่อไปพ้นจากความห่วงไอ้ตูกระเป๋าหายไปแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือได้ความสุขจากการให้ได้ขึ้นมาแต่ในวันนี้เราพูดเฉพาะด้านใดช่างที่เรีนพดในกระเมากคนรู้เหมือนนะเร <c oughs> ยากมันจะซูมใช่อย่างเช่นท่านี่มาเนี่ยนอนหลังหลังใช่ไหมเรื่อยไปที่มันมีมีเศษเศษครับท่านเป็นคนสองต่างไปแล้วนี่ที่คนอ่านแบบเดิมๆมันจะติดนี้ก่อนมีรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาต่างชาติมากไหมที่ไม่ทำอะไรเป็นแก้ รอดแอร์เดดียวเดียวคนอื่นด้วยชีวิตตัวเองก็ไม่สุดจริงด้วยก็จะมาไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งก็ครูก็มาร้องทุกอย่างเนียนะบอกว่าเด็เด็กนีไม่เอาเลยเรื่องยากแล้วการศึกษาถ้าไม่เข้าใจหลักการนี้นะตามใจเด็กอเมริกาตอนตอนี้ช่วงที่ผ่านมาในการศึกษาเสรมเราเห็นได้ชัดเลยนี่นโยบายวิธีจัดการศึกษาครูอาจารย์นักิการศึกษาจัดการศึกษาแบบเ้าใจเด็ก คือพยายามเ้นปนงว่าจะตีตามบทเรียนให้น่าสนใจให้น่าสนใจถูกต้องแต่มันกลายเป็นรยเือยทาเอาใจเด็กตามใจเด็กถ้าไม่สนใจไม่เปียนทีนี้เด็กก็ใจตัวเองสิถ้าทําให้สนใจไฉันไม่ชอบฉันได้เรียนครูก็มีหน้าที่เอาใจเด็กทยังไงจจัดเด็กสนใจชอบใจใช่เออนี้ก็ยิ่งยากขึ้นเพราะจะเอาใจคนีมันไม่รู้จักสิ้นสุดก็เลยเด็กก็อ่อนแอลงทีนี้แสปรากฏว่าการศึษาเป็นการเด็กแพ้ญี่ปุ่นแพ้อิสราเอลนี่ใช่ไหมเออพวกญี่ปุ่นนี่มันให้สู้สิ่งยากหนิใช่ไหมอิสรา ะตอนนี้อเมริกาเนี่ยเป็นสังคมที่เสียเปรียบนะเพราะว่าบางคําพร้อมนั้นพอสังคมประสบความสเร็จมากงพร้อมมันจะมีแนวโน้มที่เริ่มเสื่อมเพราะว่าตอยู่ในความประมาทลงผิดนมเาแลอ่อนแอลงนี่ถ้าเรารู้หลักการนี้เราต้องรีบพัฒนาคนขึ้นไปสูกระแสเลยใช่มให้มันได้ดุลภาพแล้วมันจึงจะอยู่ไปได้จงรักษาความเจริญได้นีหน่วยพัฒนาคนไม่ทันจะ่วยพัฒนาเอานั่นสินั่นก็เลยยานักการศึกษาเราก็จะไปเอาตามฝรั่งมีการเนี่ยจะพยายามในในแง่ว่าจัดการให้จัดบทเรียน พัฒนาให้เด็กสู้สิ่งยากให้ได้ก า, ารพัฒนาบทเรียนและกิจกรรตมให้น่านสนใจนั้นเป็นวิธีการเพื่อลดทุนเวลาประหยัดเวลาไลายงานอเดในการเรียนใช่ม น, นั้นเราต้องทำแน่นอนเพราะว่าบทเรียนมันง่าย่าสนใจเด็กก็ไม่ต้องเ ว, เวลาเสียเวลในการเรียนมากประหยัดเวลาได้หา ง, งาเป็นความคิดแต่ว่าต้องอยู่ที่จุดหมายนี้ส่วนว่าพัฒนาทางด้านก า, ารสู้สิ่งยากตอนนี้ต้องให้สู้ต้องทำให้ได้เอาละก็ขอต่อไปทีนี้ก็เลยต่อไปความสุขประเภทที่สระดับที่4 ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์อีกแหละพระพุทธเจ้าสอนอะไรตามธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์นี่มันมเอื้อถ้าเราใช้เป็นแล้วมันเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็กทปฏิบัติผิดต่อมันเราก็ได้รับโทษจากการปฏิบัติผิดนั้นนี่ปฏิบัติถูกยังไงมนุษย์่มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกสัตว์อื่นนะในการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกตนได้นั้นมันมีความสามารถทางสติปัญญาความคิดคามคิของมนุษย์นี่ในความคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งที่บอกว่ามนุษย์เป คิดขึ้นมาคิดรุงแต่งสร้างสารรผลิตแล้วก็ไปกระทตวัตถุปเอาธรรมชาติมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตขึ้นมาเป็นสิ่งบริโภคอะไรต่างๆมาเสพหาความสุขล้วก็เน้นไปในแง่นั้นเป็นการทวมสร้างเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อะไรๆขึ้นมามากมายนั่นเป็นด้านหนึ่งที่เป็นความสามารถของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์พัฒนาด้านเดียวงี้จะเสียเองที่ว่าเมื่อกี้แล้วใช่ไหมนี่ความสามารถในการคิดปรงแต่งเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่อยู่ข้างในก็คือปรุงแต่งโดยตรงปรุงแต่งสุกปรุงแตองทุกนะกิดปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ไปสร้างส เนองดีตแล้วก็มาคิดเนะช่นสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่กระทบใจเราก็เอามาคิดแล้วก็มาปรุงแต่งใจขเราให้เกิดความกลุ้มความกังวลความกลัวและตลอดจนกระทั่งความเครียดใช่หมนี่สิ่งเนรา เ, เรียกว่าความทุกข์ทางจิตใจแล้วเกิดจากการคิดปรุงแต่งใช่มคิดปรุงแต่งสัตว์ทั้งหลายอย่นี่ไม่มีความสามารถอย่างนี้เหมือนมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายอื่นจรงไม่สามารถจะมีความกลุ้มไม่สามารถจะกังวลแล้วก็มีความเครียดได้มนุษย์ได้ใช่ไหมมีได้แต่ความกลัวในตรงหนึ่งเครียดประสาทบางชนิดแน้วกลัวก็เครียเลย เลยเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าเพราะความคิดนั้นเกิดจากการลุ่มแต่งของม น, นุษย์มนุษย์ก็เลยคิดทุกอย่างะท่าตัวตายคิดเพียรพีกังวลลงทุกสารพัดของม น, นุษย์เกิจา ก, การคิดลุ่มแต่งก็จะทํ า, าสามารถที่ใช้ในทางที่เป็นโทษแ ก, ก่นตนเองนะความสามารถในการทิศลุ่มแต่งมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยจับจุดนี้ว่าทำไมเธอไม่ใช้ความสามารถนี้ในทางสร้างสารรค์แทนที่จะลุ่มแต่งทุกอย่งางาากระท่าตัวตายเป็นบ้าก็ ม, มาลุ่มแต่งสุขซะสิอาลมที่รับเข้ามานี่แหละเป็นแหล่งที่มาของการทิรลุ่มแต่งเวลาเราคิดลุ่มแต่ง นันพอเราเคยทอย่างนี้แล้วเราก็สร้างความทุกข์ให้กเราเป็นประจไปเลยเนเคยตัวเลยนะพอเคยตัวแล้วแก่ใคราวนี้ก็จะมีจิตใจที่เป็นทุกข์อยู่ด้วยเป็นคนที่รุ่มจนเคยกังวลจนเคยเครียดจนเคยใช่แล้วพอเคยแล้วแก่ใจเพรเป็นนิสัยของจิตจิตตกร่องจิตตกร่องพออารมณ์นี้ปั๊บเข้ามารับปุ๊บเนะี่ยกลุ่แต่งปั๊บทุกทันทนะีนี่ก็ต้องแก่ใช้ก็ให้วิธีแก้ต่างแกะกันด้วย น, ะนก็คือตอนแรกว่าอารมณ์ต่างรับเข้ามานี่ทานมีวิธีน ใ, ใช้สติเมืานรันแบบเป็นสติประทานนะ ก็แท้ที่จะรับเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีกันได้เลยแล้วก็ถึงแม้มารับเข้ามาแล้วเราทำไงมีวิธีการที่ไม่เอามันขึ้นมาปรุงแต่งในทางร้ายให้ปรุงแต่งในทางดีซะปรุงแต่งในทางดีก็เราปรุงแต่งทุกด้แล้วก็ปรุงแต่งสูงด้นี่ทําให้สบายให้มีความสุขพระเจ้าก็ตัดถึงสภาพจิตที่ดีไว้ถ้าเราปรุงแต่งบ่อยๆเราก็เคลิ้มเหมือนกันทำยังไงปรุงแต่งสภาพจิตที่ดีท่านให้ไว้าอันถ้าเราทำได้เสมอแล้วมีหนึ่งปีติเคยพูดไปบ่อยแล้วอิ่มใจรื่มใจวิธีความอิ่มใจสองกฏสุธีอ่องหนึ่ นะบุคคลใดทำใจให้ราเรเบิกบา น, น, อนอยู่เสมออยู่ใกล้พั น, นะนอันที่น่เลยให้เป็นตัวยนืนทุนองจิตทําให้ราเริเบิกบานอยู่เสมอ2 อ, อะไร2ก็ปีติแล้วความอิ่มใจปลื้มใจและสา ป, ะส ป, ะสปัสถานะสมธิแปลว่าความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจนะใจไม่เครียดผ่อนคลายในตัวไม่เครียดปัจสถานแล้วก็4ี่สุขความสุขพอใจใจสงบเย็นไม่เครียดลทีนี้ก็สุขโร่งโล่งมีอะไรบีคันใจคอโล่งโปร่งเบาเป็นสุขและต่อไปจากสุขก็สมาธิสมาธิก็คือสภาพจิตที่สงบตั้งมั่นแน่วไม่มีอะไรมาขวนจะิตต้องการ ใจที่มีสมาธิก็คืออยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการใครทได้งคนนั้นมีสมาธิเราดูตัวเองคนที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนี่คือสมาธิไม่มีอะไรอื่นมาเกลนเลยเราที่ดูสิคนที่ไม่มีอะไรมากลนเนี่ยใจมันสบายใช่ไมมันสงบมันท่านสบายแล้วจิตมันพร้อมที่จะคิดพิจารณาอะไรก็ได้จิตมันไม่มีอะไรกลนนะก็เป็นสมาธิสงบสบายดังน่านให้ทำสภาะจิตหอย่างนี้ให้เกิดเป็นลักษณะเป็นเครื่องแสดงภาพกล้าวห้ในการปฏิบัติธรามด้วยปราโมทปีติปสิทธิสุขสมาธิใจของเราปรุงแต่งได้ S <S การฝึกสมาธิเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งจิตที่เขาเรียกว่าสมถะระบบสมถะนั้นเป็นการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งไม่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิวิธีที่มาตัดทำไงให้จิตมันลงตัวให้เข้าที่นีเราทำสมาธิไม้แต่เวลาที่เราทาจิตให้อยู่กับสิ่งที่เราต้องการที่เรากำนหนดลมให้ใจใช่พอเราจิตดกลมใใจเข้าออกใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกร ะ, กระวายแต่ถ้ามีทุกอยู่ถ้าสิ่งนั้นเข้ามาก็หายไปหรือแทรกาาบางตอนอย่างน้อยมันก็พักได้บ้างจิตเราได้มีโอกาสพักจากสิ่งที่รบกวนนั้นแต่ท จลนจรีสมาได้ด้วยวิปัสนาได้ด้วยทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ลองมาใช้ในชีวิตประจาวันก็คือว่าหายใจเข้าหายใจออกพินิจรู้ตามได้เป็นสมาธิก็ดีผมไปแล้วนะท่านจะบอกว่าให้ทาจิตตามด้วยวิธีทาจิตตามก็คือว่ารุงแต่งใจของเราไปด้วยเวลาที่หายใจนั้นหายใจเข้าเราก็ทาใจของเราแล้วก็ว่าเช่นอาจจะว่าอย่างนี้บอกว่าทาจิตเบิกบานหายใจเข้าทาจิตโล่งเบาหายใจออกเ่าวลอาอย่างนี้นะเวลาหายใจเข้าก็ทจิตเบิกบานหายใจเข้าว่าไปด้วยทำใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วเวลาหายใจออกก็ทจิตโล่งเบาหายใจ หรืออาจจะใช้อื่นก็ได้ตัดคำว่าทำซะก็ได้แทนที่จะว่าทําจิตชื่อเอาขอไปทําจิตเบรกบานหายใจเข้าทําจิตโล่งเบาหายใจออกตัดตัวทาออกก็ได้หรือว่าจิดเบรกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกเนีเอาที่เราทำไปนะช่วยได้เยอะเลยหรือว่าว่าคนอาจจะชอบใช้คำอื่นก็คล้ายๆกันแหละแล้วแต่ประดิษฐ์คำที่อาจจะประดิษฐ์เป็นว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นเนีหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่าอเอานี้ก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสทําใจให้เป็นไปตามเนี้ย แลวใจก็สบายนะแล้วได้ดีทางสุขภาพร่างกายดวยนะพใใจนีปรับให้ดีแล้วอย่างนิชายโยคะใช่ไเขาจะบอกว่าการใใจอย่างสม่เสมองเป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกายปรับระบบการทา ง, งานของร่างกายื่ดลงให้ดีไปด้วยปรับทั้งร่า ง, งากายปรับทั้งจิตใจให้สบายนี่ก็เป็นวิธีปรุงแต่งจิตใช่นั่นเรามีวิธีเยอะในการปรุงแต่งนั้นความสุขในระดับที่สี่ที่เกิดจากการปรุงแต่งจิตวิธีสมถะ ท, ทั้งหมดเป็นวิธีนี้ทั้งหมดนั่นอาามาพิงก็บอกเป็นเท่าไว้ส่วนใครจะใช้ยังไงก็ไป หรืออย่างเราไปทำบุญทำกุศลเนี่ยเป็นทิฏฐิปรุงแต่งจิตบอกว่าทานนี้นะก็ให้เป็นบริการของจิตปนเรรุงแต่งจิตเวลาเราไปทำทานแล้วเราต้องมีปัญญาเราพิจารณาเราทด้วยศรัทธาใจของเราชื่อบานองสตั้งใจทแล้วก็มองพิจารณาต่อไปว่าโอทานที่เราทำนี้นะ เป็นการให้กำลังแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านได้ปัจจัยสไปท่า น, ทานมีกำลังแล้วท่านจะได้ทำศาสนกิจท่านจะได้เล่าเรียนท่าทำวินัยได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมะได้พระพุทธศาสนาก็จะได้ดำรงอยู่พุทธศาสนาของเราจะเดินนอ ง, งามพระฐานที่เราถวานีด้วยแล้วก็พุทธศาสนาเดินนอ ง, งามรุ่งเรืองตอปไปเพื่อประโยชน์สู่สัสงคมผู้คนจะได้อยู่ร่มเย็นสบายธรรมะโอาที่เราให้ไปนะีมีผลกว้างขวางเราเป็นส่วนหนึ่งในวิการที่ได้สร้างสรรค์ความดีนี้ทเาประโยชน์แก่พระศาสนานี้เราเป็นผู้ ถ้ามวิธีทลเวลาเราทงานไปนี่เรา ไ, ได้ไปติยังคนทงานที่ชอบใจของงานเดินหน้าไปนีก็เกิดอิ่มใจปติปลื้มใจยไปความสุขก็เกิดขึ้นก็ใช้วิธีนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยานั้นทำทานไปแล้วก็มนึกทใจให้สบายมีความอิ่มใจปลื้มใจในทางที่ตนทำไปนั่นคือมาทานไรก็ใจเบิกบานผ่องใสนี่คนที่ไปใช้วิธีนี้ก็คือว่ามาแทนใ น, ในิสัยิ มันเคยิสมันเคยนึกแต่เรื่องไม่ดีใชมันนึกเรื่องุ่มใจตัวเองมันก็ชินกับการุมใจนี่เราเปลี่ยน้งไม่นึกถึงเรื่องบุญเรื่องสสเทาที่เราทำไปนึกบ่อยๆนึกแล้วนึกอีกจนรทังชินนี่จนทังจิตมันกลายเป็นบุญิที่เป็นดีก็เป็นบุญจิเป็นบุญมันก็เป็นความสุขสบายชื่นเพรมันเคยลงตัวืสบายจิตมีความสุขเป็นสมบัติประจำใจนีก็เป็นนับรวมแต่งดเลยทีนี้แต่งได้เรื่อยนก็การที่ปรุงแต่งนก็คือสร้างตน เพานั้นถึงนนี้เลยสร้างจนเผิก็เป็นทิสายของจิตที่จะมีความสุขอยู่นั้นนะเวลาอยู่บ้านา น, นึกถึงเรื่องสิ่งที่ดีอามาปรุงแตง่งจิตนะแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้อาจร่งที่ว่าเนี่ยที่ว่าบาีจิตเบิกบานหายใจเข้ า, าจิตลงเบาหายใจออกจิตรือว่าทาจิตเบิกบานหายใจเข้าทำใจ่ลงเบาหายใจออกอะไรเนี่ยนะทไปก็่วย้เยอะแนะนี่ก็เป็นเรื่องของการปรุงแตง่งเราเห็นจะผ่านไปได้แล้วทีนี้ก็ไปสุดท้ายไปสุดท้ายทีนี้สุกเหนือการปรุงแตง่งการที่ไม่ต้องปรุงแล้วเพราะที่ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่ ง, ตง ม, ม, มัน อาศัยการปรุงสแสดงว่าเราต้องทขึ้นมาเวลานั้นจะ ย, ยังไม่มีใช่ไหมสุขที่เราเ ส, สุเราต้หาเขาเรียกาวงหาความสุขสแสดงว่าตัวเองขาดอยู่คนตัวงหาความสุขเพราะตัวเองขาดความสุขแล้วก็ไปแสวงหาความสุขมันรูดยุคนี้นักแสวงหาความสุขนี่ยเพราะว่ามไม่มีความสุขอยู่ในตัวทนี้ก็เลยว่าเราทำไงที่จะพัฒนาจนกระทั <S <S ่งความสุของไปอยู่ในตัวรูแต่นอยู่ในตัวแล้วนะ้นอะอยู่ในตัวแล้มีของมีเป็นสมสบัติประจำตัวไปเลยมันอยู่ข้างในใจประจำใจจลับทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง พอรู้ท่ า, ทาันความจิงสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรับจิตให้ลงกระแสเป็นอันเดียวกันก้กปุ น, นด้วความจริงงธรรมชาติตพราะก้มืนแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นแด้พูดจากต้ตนแรงบอกวันไหที่สุดแล้วตัวต้นตอความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจกากกฎธรรมชาติใช่เพราะกฎธรรมชาติมันมีความเปลี่ยนแปลงพาเป็นอนิจจทุกขังอยู่ในสิ่งทั้งหลายอันนี้ชีวิตของเรากตกอยู่ใต้อ น, นาจมันด้วยเป็นไปตามมันแล้วก็ไม่เป็นไปตามตากหนาของเรานะเราไม่ได้ตามใจเราทุกเพราะานั้นมันก็มีเรื่องของการที่ความตากหนาของเรานย นนเราอมาดูว่ามันเป็นยังไงในกระบวนการที่เกิดความทุกข์มเนี่ยก็สมมติเป็นเรื่องกระแสึ้นมาก็คือมนุษย์เราไปเกี่ยวข้องกับผ่านสิ่งต่างๆเราไปเกี่ยว้องกับวัตถุสิ่งองเราไปเกี่ยวข้องกับคนเราก็มีความปรารถนาต่อคนนั้นต่อวัตถุนั้นเราไปปรารถนาว่าขอให้มันเป็นอย่างนี้ขออยาได้เป็นอย่างโน้นใช่พอขอให้เป็นอย่างนี้ก็ว่าเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นกระแสน่เรียกว่ากระแสความปรารถนาหรือกระแสความอยากของเรากระแสความอยากของเราที่อยู่ในใจเราก็เรียกว่าเป็นกระแสของคน ่ ส, ente, สิ่งเดียวกันนที่เราไปเกี่ยวข้องเราปรอยากตัวมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาตินี้มีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินั้นคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมั <ningar> นตามกฎธรรมชาติเอาละสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันตที่เราไปอยากไปต้องการสิ่งนั้นเองเนี่ยอยู่ในกฎธรรมชาติเลยเมื่อมันอยู่ในกฎธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เกิดมีอีกกระแสหนึ่งเรียกว่ากระแสความเป็นไปตามธรรมชาติหรือกระแสกฎธรรมชา สิ่งเดียวกันจะดูใน2องกระแสได้อย่างไร yeah. <N> นะมันต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ในกรณีที่2งกระแสนี่มันรวมพลืนไปก็สมใจก็ดีใช่ไหมเราปรารถน า, านี้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดกระแสเหตุปัจจัยธร ร, รมชาติมันเป็นไปอย่างนั้นโดยบังเอิญพอดีกันเราก็สมใจแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดมันสนวนทางกันละมันขัดกันละกระแสภาพปรารถนาของเราบอกว่าให้เป็นอย่างนี้แต่กระแสเหตุปัจจัยตอบให้เป็นอย่างโน้นเอาแล้ทีนี้ขัดกันละพอขัดก็เกิดความปะทะกระแทกกันละกดดันบีบพันทีพอมันขัดแย้งกันปะทะกระแทกบีบพันกันเนี พอกระแสกธรรมชาติกระแสะเหตุปัจจัยชนะกระแสพวกเราถูกกระทบกระแทกบั้นเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาใช่เกิดทุกข์นี่คือเหตุเกิด ค, ความทุกข์ของมนุษย์ น, นมาไม่ได้ตามใจปรารถนากระแสะสองกระแสะขัดกันทีนี้พอมนุษย์พัฒนาขึ้นมาก็พัฒนาปัญญาคือความรู้ไอ้จตัวความปรารถนานั่นทเาะตันหากระแสะตันหามันไม่คงตื่นกับกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติทะเลาะกันเรียกว่ากระแสธรรมนี่ยเขากระแสความจริงของธรรมชาติส่วนกระแสในใจคนเรียกว่ากระแสคนเพราะที่นี่กระแสคนกับกระแสตันหากระแสตันหากับกระแสธรรมนี่มันข ปัญญาก็คืความรู้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เข้าใจความจริงในธรรมชาติใช่ไหมพอรู้เข้าใจความจริงในธรรมชาติปัญญาที่จะไปรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่เป็นตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยจะเป็นยังไงปัญญาก็ไปรู้ตามนั้นใช่เกิดเป็นกระแสปัญญาขึ้นมากระแสปัญญานี่ไปตามทางเดียวกระแสเหตุปจัจจัยใช่ไหมเพราะกระแสเหตุปัจจัยไปยังไงไอ้เจ้าปัญญาก็รู้ตามนั้นพอกระแสปัญญามากขึ้นมาขึ้นถ้ากระแสตันหามกใช่ไห ม, มอย่างนั้นนะหรือน้อยเบาลงกระแสปัญญาเป็นใหญ ลายว่ากระแสคนกระแสทํานี้กลมกลืนกระสเป็นอันเดียวกันก็ไม่ทุกข์นะสิใช่รู้ตามเป็นจริงไม่เกิดทุกข์ไมึงาปรารถนาไม่ถึงุกเพราะฉะนั้นพอพัฒนาเนี่ยคนพัฒนาคนพัฒนาปัญญาไปด้วยปัญญาตรงนี้ทำให้รู้ความจริงทำให้ประแสกลมกลืนกระแสของลมกกระแสของเควกันก็ทาให้เกิดการขัดแย้งก็เลยความสุกขก็ตามอย่างน้อยก็ทให้เรารู้เท่าทันและแก้ไขทุกข์ได้อย่างรวดเร็วพอเกิดทุกข์มาปั๊บว้ามันฟืงนความปรารถนาเราจะเอาตามปรารถนาของเราได้ยังไรสิ่งที่ พอพูดมาเป็นไตามเหตุปจัยทุกหายึงยงนั้นปัญญารู้กเป็นจริงที่นีมันได้ผลสองย่างคือหนึ่งใจก็สบายทุกไม่ถูกปะกระแทกให้ปัญญาที่เป็นรู้เหตุปัจจัยนเป็นของจริงนี่มันทาให้เราทำแต่สิ่เหล่านั้นได้ถูกต้องใช่ไหมแต่สิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนใจป็นยังไงมันตามเหตุปัจจัยของมันตามตการให้เป็นยังไงเราก็ต้องไปรียนู้เหตุปัจจัยแล้วทาตามเหตุปัจจัยนั้นถ้าหากว่าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจะทำให้มันเสื่อมเราไม่ต ดังนั้นการปัญญาประชัหนึ่งก็รู้ทันกระแสความิกธรรมชาติกลมือเป็นกระแสเดียวกันไม่ปัแกต่าายทุกขั้นหนึ่งก็ปการตามเหตุปัจจัยด้ความรู้ตามเหตุปัจจัยก็ทาได้ผลด้วยนะก็ได้อย่างก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าเราเนี่ยใช้ปัญญามาทำให้ชีวิตของเราดีงามขึ้นมีความสุขขึ้นหายทุกข์ขึ้นแล้วพอรู้เข้าใจโลกและชีวิตตาเป็นจริงเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะวางใจวางท่าทีปรับทิวทัศน์ให้ลงตัวการเรือกพาไปจริงของโลกและชีว เขาจะขับรถมาเขาใจะุ่งอยู่ตอนแรกเวลารถขับเวลาขี่รถพาม้าเข้าสู่ถนนปรับควาไปเร็วพอดียังต้องใช้แต่ดึงบังเกิดอใช่ไหมพอรถมันเข้าที่เข้าทางดีแล่นตรงทิศแล้วความาเร็วพอดีลงตัวแล้วตอนนี้สาวรัศีไปเรียบสนุกเลยนั่งเฉยเลยนะนั่งเฉยสบายแต่ว่าในความสบายนั้นมีความรู้อยู่ความรู้ที่เจนจบที่ทำให้เขาไม่ต้องาบาดระแวงวางใจอะไรทั้งสิน้นแต่มีความพร้อมด้วยว่าถ้ารถวิ่งผิดทิศผิ ด, ผดท า, ง, ดทา ง, พงพามาเร็วปับ๊บเขาแก้ได้ ท, ทันทีใช่ไหมได้วยคว า, เจจนาน้เจนจบก็นางงงใจจสสบาาาาายยภพิตตทททีี่่่่ววุกออลัเข้ันนี้ คือสภาพจิตที่พาลบอกอุเบกขาเนอุเบกขาที่เกิดจากกัญยาเกิดจากความรู้ความรู้นี่เป็นตัวปรับความรู้สึกให้ทุกอย่างลงตัวพอดีนคนอย่างเรานี่วนัอยู่ความรู้สึกใช่เราหวั่นไหวไปตามความรู้สึกของเรารู้สึกดีบ้างรู้สึกร้บ้างรู้สึกุทุกบ้างแต่เมื่อไรความรู้มานี่จะปรับความรู้สึกให้ลงตัวพอดีเรียบสงบนีะนั้นคนที่มีความรู้เจนจบโลกจริงๆในทั้งรู้กฎธรรมชาติรู้ความจริงของโลกละชีวิตถ้ถือว่าเจนจบชีวิตวางใจวางชีวิตลงตัวพอดีกับทุกส อย่างเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายพอเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมานี่ยก็จะมีคนสประเภทคนประเหนึ่งีไม่รู้เรื่องูราว่าอะไรเกิดขึ้นพอไม่รู้เรื่องราก็เฉยใช่คนประเภทหนึ่งเฉยไม่รู้เรื่องูราคนทที่2อรู้ขึ้นลรู้ขึ้นรู้ว่าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายแต่ว่ารู้ขึ้นลรู้ขึ้นก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้พอรู้ขึ้นไปรู้ขึ้นแก่ก็รู้ขึ้นบวยลอยบวยวายโลดเต้นอะไรต่างข คนที่มีความรู้มีปัญญาสึงขนาดนี้นะพวกนี้เะืดเฉยเหมือนกันเพราะพวกนี้มันไม่เดือดร้อนอะไรนี่ใช่มัารู้หมดและแล้วรู้ว่าจะทำอะไรอะไรร้ อ, รอจังวะเป็นหัถึงอะไรก็ทำตามนั้นมืนสารพินที่ต้องแก้ไขอะไรอะไรทตามจังวะนั่นจิตจะเรียบสงบนี่คือสภาพจิตอุเบกขาทีรรา่ปัญญาเป็นสภาพจิตที่ต้องการาอาหานีติทั้งท่านอยู่จนมากย่งที่อุเบกขาเป็นสภาพจิตที่สบายและพร้อมที่จะเยความสุขทุกอย่างมวม่วามันไม่มีอะไรมาระคายรดถวนดังเหมนจิตขอธรรมดาที่มันไม่เรียบสงบแต่เฉลยสุขไม่แต่เฉลยสุขแบบหย ก็าความลงตัวพม่มีสภาพติด ข, ของผู้ผชนพราะฉะนั้นแม้จะมีความสุขเภทต่างๆก็ได้สุขปเป็นเต็มทีแต่ว่าพอเป็นพระอรหันต์นี่เป็นผู้เจรจบชีวิตด้วยปัญญาปับชีวิต จ, จิตใจเข้า ก, กับามเป็นินอโลกในชีวิตหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้อยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรปนเลยจะสวยความสุขไหนก็ได้คำนพร้อมทุกอย่างเลยนอยู่ที่ตัวเองจะต้องการสวยหรือไม่เพราะาถึงจุดนี้แล้วนะก็วางใจได้ความรูร้คามจิตามกฎธรรมชาติแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาอันหนึ่งคนที่เกิดขึ้นอันหนึ่ง เราอยอมรับความจริงนะกฎธรรมชาตินี้มันเป็นของในธรรมชาติแก้ไม่ได้ธรรมชาติเป็นการทุก่าตาก็เป็นอย่างนั้นทไปแก้มันได้หรืแต่ทีนีเรื่องอะไรไ้กฎธรรมชาติมันเป็นยางนแล้วาใจของเราไปทุกข์ไปด้วยใช่นี่เราไปดูใต้อำนาจกฎธรรมชาติที่นี่พอเรารู้ความจริงที่สุดด้วยปัญญาก็ปล่อยให้กฎธรรมชาติดูในธรรมชาติต่อไปทุกที่มีในธรรมชาติก็เป็นทุกในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในใจเราตกหมายความว่าเป็นอิสระใจของเราเป็นอิสระไปกฎธรรมชาติด้วยความรู้เท่าทันปัญญาท มีในเรื่องในพระสูตเล่าถึงว่ามีคนหนึ่งมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เขาก็มองดสายตาขอคนธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านี่เครื่อำบากลาบนเดินทางด้วยพระบาทกลามส่วนใหญ่จาริไปตรงโน้นตรงนี้ไปแสดงธรรม่งส้อนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่มีเค่งบำรุงบำรุงาสะดวกสบายจรีภาษาปฏิบัติรนอนราบดินินกลางทรายอะไรก็ได้แล้วเขาก็เลยว่าพะุทธเจ้าบอกว่านี่พระองค์ลบากลบนทำไมทไมมย่ชีให้เป็นสุขนะพระเทาก็เลยตรัถามว่าอ้าวแล้วถ้ามใครเป็นสุขเออจะได้มาเที่ยวกันดู เขาถามนี่เ น, นี่ยคุณน่าจะคิดเลยเ อ, ยเอาใครดีนะคือเขาก็ น, นึกว่าคนที่จะมีความสุขมันต้องมีสิ่งเสียบลเลยว่าถเกทันทีเขาก็ น, นึกไปนึกมาเขาก็เลยได้เอาพร ะ, ะ, ะเจ้าดินพระเจ้ากรสับ่พระเจ้าพิพิษสั น, น, นั้นเป็นปรเหนมามนนใหก็ต้องสุขที่สุดแล้มีอะไรทั้งมบอกว่าพระ้าพิพิษน่ะมีความสุขร <c> ะจ้า ก, ก็เลยจัดบอกอ่ะเรา ย, ยืนายนได้ว่าเราสุขกับพระเจ้าพิพิษสเออแลจะทำไงจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะเออยากนะที่จะพิสูจน์ใครสุกใครพระเจ้าก็ คืพระพุทธเจ้ามีความสุขอยู่ในพระองค์ตลอดเวลาเป็นของประจำตัวเพราะฉะนั้นพระองค์จะทำอะไรไม่ทำอะไรพระองคก็มีความสุขใช่ไหมดังนั้นตลอดเวลาที่ทาอะไรเดินทางในพระองค์ก็สุขแต่นี่ถ้าเกิดพระองค์จะสรยความสุขอย่างดีพรงค์จะนั่งเฉยก็มีสุขอยู่แล้วเพราะความสุขมันอยู่ในตัวแตน้พระเจ้าเป็นพิสานี่ท่านต้องแสวงหาความสุขนี่ท่านนั่งเฉยเฉยแสาความสุขไม่ได้ะตกลงก็พิสูจน์ได้วิธีนี้ก็แพ้แหละใช่ไหมดังนั้นพระเจ้านี่ก็เป็นผู้ที่สุขที่สุดในพระอรหันต์วาง นี่มันมีความสุขเต็มแล้วก็พัฒนาตัวมัจนถึงขั้นนี้ทุกอย่างเต็มเมเพระาะาพัฒนาส ข, ขั้นนี้ก็ต้องพัฒนาชีวิตทุกด้านมดลใช่สติปัญญาความริคุณธรรมก็เต็มเตมบริบูรณ์หมดก็ก ล, ลายเป็นผู้ที่บรร ล, ลุสิ่งที่ท่านเรียกว่าประโยชน์ตนรนหมายความว่าพัฒนาสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกราะนั้นจะเกิดผลอะไรคือชีวิตตัวเองดีสมบูรณ์แลก็เมื่อไม่มีอะไรต้องทเพื่อตัวเองอีกก็เลยใช้ชีวิตนี้เพื่อสร้างสรรค์ทาความสุขให้แก มันเป็นไปในทางที่ดีท่านแก่ตนเองและแก่นมนุษย์โลกทั้งโลกก็จะประสานกลมกลืนถ้ า, าเราพัฒนาความสุขไม่เป็นนี่เราเข้าใจความสุขอย่างประเทศแรงอย่างเดียวถ้าคนบุคคลยิ่งสุขสังคมยิ่งทุกข์แล้วก็จะเกิดปัญหามากมายการพัฒนาที่ถูกต้องมันจะประสานกลมกลืนไปทุกอย่างและดีต่อบุคคลก็ดีต่อสังคมและดีต่อธรรมชาติเป็นร้อมมันปไปด้วยกันทั้งหมดนี่ก็คือการพัฒนาความสุขตามหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นชนิตที่สมบูรณ์ด้วยความสุขก็สมบูรณ์ด้วยก็ประเด็นที่ควรจะพูดูดดดดโยยยยหลลลักกกกๆ็็็็ิวววุ่่่่่่่าาาาาไ้้้ปแแตตรระะะเเเออีีีี่ีนนนงงงืขธซึจมทท สร้างความสุขแบบที่เหนือการรูมแต่งนี่คือความสุขที่เกิดแต่ปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติจรงเรื่อวิปัสนาวิปัสนาก็คือปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรก็เห็นแจ้งความจริงทั้งโลกชีวิตในโลกชีวิตตาเป็นจริงปรับจิตบใจลงตัวเข้าทีทุกอย่างเป็นผู้มีชีวิตที่เย็นจกหรือม่ใชพูดชีวิตเย็ุกพูดเย็นจุกชีวิตนี่ย่าจิตมาลงตัวพอดีทุกอย่างก็ทีนี้ก็บอกแล้วบอกว่าผู้ที่มีความสุขถึงขั้นนี้รัจิตพร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างไ ดำเนินวิตสดความเป็นจริงาะดเนินีิตสดคงวามเป็นจริงอยู่แล้วจะสวยความสุขนการปรุงแต่งติ้ทำได้เต็มที่พอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเวลาไปทงานไปารมาเหนื่อยโทมก็มานั่งพัก่อานหาความสุขสวยสุด้วันที่จะทมาสุขวิหารดูเป็นสุขในปัจจุบันสวยความสุขนชานแก้ความสุขประเภทไหนก็สวยได้เต็มที่ไปหมดเลยช่องทางที่จะมีความสุขก็มากเต็มที่ทั้งหาทิฐิ่าทางและในการสวยสุดแต่ละอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรกลนวเลจิตเต็มเปี่ยนบริบูรณ์เาะนั้นเป็นผู้มีสุ แต่ถ้ายังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็ยังมีครอบครัวทั้งที่เป็นบุคคลที่ก้ามากแล้วในการสุ้ถึงโกุตระลนะพระโสดาบันนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขพร้อมทั้งาระดับือสวยสุได้ทั้งนเลยและมีจิตที่พร้อมที่สุดโปงเาไม่มีสิ่งกวนมากที่สุดน้อยมีสิ่งกวนน้อยที่สุดน่นที่จะเสรความสุขดังโสดาบันนี่เป็นตัวอย่างแต่ทีนพระรหันี่จะพัฒนาถึงขั้นว่าไม่จิตไม่ไม่ต้องการสวยความสุขประเภทแรกทีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพั เล่นแม้แต่มูดคูนของตัวเองเล่นมูดคูนก็สุขใจละนี่ลเล่นแล้วมีความสุขนะสนุกเนี่ยมีความสุขแล้วเด็กโตขึ้นแล้วไม่มีความสุขกับาเล่นมูดต่อมาเด็กโตขึ้นสนุกจุดตาเล่นของเล่นใช่มีของเล่นเล่นดินเล่นทรายเล่นของเล็กกรถเล็กเล็กรือเล็กรถเ่อเล็กอะไรต่างเนี่ยเล่นแล้วก็มีความสุขมากแล้วใครจะควาาไปไดนะแม้จะเป็นจะตายเลยแล้วของันหวงเใช่ของเล่นเล็กๆเนี่ยหวงใครจะไปเอาแล้วแม้แจะเอาชีวิตไปเลยนี่นี่ความสุขของเขาขึ้นต่อขึ้นได เห็นของเล่นแล้วไม่นสนุกไม่เห็นเป็นความสุขแล้วไปเห็นเด็กเล่นก็โหรชอบใจเนีนแล้วก็อาจจะไปแก้เด็กเน่เนี่ยาไอของนี้เคารนักานแย่งขันี้ทให้เด็กร้องเล่นเลยนแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกตัวเองกลบสนุกเพราไปแดเด็กนทีนี้ตัวเองก็ไม่เห็นความสุขจากการเล่นของเล่นนะทีนี้พัฒนาต่อไปก็มนอย่างการอาหารที่จิตนพัฒนาโตไปจิตเจริญติบโตไปขั้นหนึ่งก็ไม่เห็นการที่จะมาสนุกสนานความสุขในแบบผู้ติดชนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแง่ที่ท่านหนึ่งทีคว มนุษย์ปฏิทนนี้ความสุขต่างกักความสุขของผู้านานที่พัฒนาจใจสมบูรณ์ก็เหมือนการลืมของคนที่มีความสุขจากร่างกายสมบูรณ์การมีความสุขคือมีโรค <ãy. S 2> คนที่มีโรคจะไดโรคขัน <ãy. S 2> ในพระสุทที่ทัยนเป็นคนโรคเรื้อรน <ãy. S 2> คนที่เป็นโรคเรื้อนจะมีความสุขชนิดหนึ่งคนเป็นโรคเรื้อนมีความสุขอย่างไร <ãy. S 2> คือ1นึัน <ãy. S 2> คนเป็นโรคเรื้อนขันนักเพราะฉะนั้นแกเกาแต่ทีเหลือจิ้งเกายิ่งขันยิ่งเกายิ่งเายิ่งขันยิ่งขันยิ่งเกายิ่งขันพอเกายังก็มีความสุ ข, ขนนก็มีความสุขโดยอาร ไม่เคยเปไม่รู้นะนะพา <อ S 1> <พอ S 2> เอาตัวไปย่างที่ไฟไฟร้อนๆนี่ยิ่งมี ค, ค, งความสุขเลยแลาคนเปโรคเรได้ความสุของอย่าง1น่สจัดการเตาที่เผาและจัดการเอาผิวไปย่างไฟเฮ้ยท่านกดตอไปบอกว่าอมาคนนี้รักษาโรคเรื้อนหายไปเพราะหายจากโรคเรื้องสุขภาพดีสมบูรณ์เนี่ยเขาจะหาความสุขจากการเตาและการย่างไฟไมไม่เราไม่เอาด้วยแลและการที่มีคสุขภาพดีสมบูรณ์นเป็นความสุขในตัวหรือเปล่านะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ก็เป็นความสุขในตัวงมดแลมันทำให้พร้อมที่จะมีความสุข มันไม่ต้องการหาความสุขจากการเตที่ขันและไม่ต้องหาความสุขจาการด้างพิพตโตต่อไปย่งางไฟไม่ต้องการและมนุษย์ติดชนนถ้าจะเป่นว่าเป็นมนุษย์ที่กาต้องหาความสุขจากการเตาที่ขั น, น <ะ S 2> ส่วนว่าพระราหัส น, นั้นก็พิพากสุขจารไม่มีที่ขันจะต้องเตา <c oughs> อันนี้ก็เป็นอกด้านหนึ่งนะจะเป็นเรื่องความสุ ข, ขของมนุษย์พัฒนากันไปใครต้องการแค่ไหนแต่เราให้เห็นว่าความสุขนั้นพัฒนาได้และพัฒนาที่ขึ้นไปแล้วชีวิตก็ดีงามเลื่อนเกื้อคุลต่อโล ก, อลกและสงงังเมยิ่งขึ้นโดยเป็น โมที่เกินแก่เวลาแล้วเท่านี้ก่อนขอโนโมธนาทุกท่านจะมาทราบตอจากนี้จะดเนินการยังไต่อไปก็แล้วแต่ทางฝ่ายท่านผู้จัดคือคุณ ว, วัชชัยอาจารย์นุ่นดมและคุณมัฒนานใครจะถามก็ถามได้ถ้ายัางไม่รีบกลับถ้าเป็นของใช้ประเขิได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นของของฉันภายในเพนก็หลังเพนแล้วให้ประเขิน <S <S ของแห้งก็ไม่ควนนรเขิถือพระเขิแล้วก็มีวิธีแก้คือพระก็คือพระไม่ถือสิทธิ์ให้เด็กไดเลยคือตอนนั้นมันจะเป็นสิทธิ์พองลูกศิษย์เพราะว่าพระหมดสิทธิ์คือพระรับประเขินแล้วพระก็ให้ลูก พระให้เขาแล้วในกสิทธิของเขาแล้วแล้วตอนนั้นเป็นสิทธิของเขาแล้วนี่เขาจะทำไงกนได้เขาก็มาถวายะเข า, ขาไม่เห็นกับตัวเขาก็เลยมีทางกับมาถวายพระได้อีกแต่พระหมดสิทธิแล้วไปของเด็กมาถวายแต่ถ้าได้ให้ดีแล้วไม่ต้องบกอ <c oughs> แต่ถต า, ามกก็ต้องถืออย่างนั้นพอบิบาดมาสร็จแล้วก็ยกให้ลูกศิ์าจัดการเ <c oughs> ขาจะจัดการในก็เรื่องของเขาง <c oughs> นั้นถ้าด้ดู้วินยแล้วก็จะช่วยกันราะพระก็จะมีจำนวนหนึ่งที่มุ่งหาราบโดยไม่คานึงถึงวินัยดันท่าที่ท่านรับษารวินายท่านจะต้องระว ถ้าม่หลับอยู่อันนึ่งตามเขาทำว่าพระภิกษุพึงเป็นผู้เลี้ยงง่ายเียงงไงมักถามว่าตัดท้องขึ้นอยู่กับชาวบ้านเขาจะให้อย่างไรก็ฉันไปตามนั้นไปรบกวนเขาแม้แต่ชาวบ้านานิมนต์ออกตากไม่ใช่ออกชื่ออาหารที่จะถวายเรียนรับ ไ, ได้เลยเช่นว่ามานิมนต์ารงนี้มนินมนต์ไปฉันเขาต้ไก่อย่างเ ง, งี้ยอ่เงี้ยพระก็จะมีความผิดขึ้นมาเก็เป็นอันหนึ่งวินัยการไวระวังท่าขอแล้วต้องผิดวินัยด้วยองเจตนาลมคือให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายแล้วก็ฉันโดดแล้วที่ยังยิ่งกนนั แล้วก็ทัศน์ติที่ว่าให้อยู่ในหมู่ประชาชนเสียงดังมวลแรงขึ้นที่ไปนำน้าหมาจะตีสอนดอกไม้ไม่ทําสีและตินี่ชอบชอบต้องบำรุงให้จิตใจเขาดีให้ขเขาจะเรียนงอก ง, งามยิ่งขึ้นหรือ ถ, ถ้าพะระปฏิบัติตามธรรมวิ น, นัยเราไม่มีปัญหาเลยทีนี้ที่มันมีปัญหาที่นี้ก็คือพระมาทาตามวิ น, นัยแต่ญาติโยมก็ไม่รู้ด้วยก็ไปหลงไปตามๆกันก็เลยเกิดความวิปริปรตรุนแรงก็เ่มต้นแต่ต้ น, ตนพน็จะมีปัญหาที่พระเนี่ยทําอะไรก็จะมีลักษณะหาลราทําอะไรที่มาเป็นใบโฆษณาเป็นไใยอะไรต่างๆทีนี้ถ้าญาติโยมรู้แต่ต้นก็ ไม่หนุนแล้วพอไ่หนุนก็ปล่อยไได้แต่นี้มันไม่เหมือนกันเลยกลายเป็นว่าทินทำเป็นารริ้นได้ถ้าเลยปัญหาก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นพูดบ่อยๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นมีเป็นผลการร่วมกันของพุ้ถบริษัทท่างพระท่านโยมไม่ได้โทษแต่ปล่อยได้คนนึ่งแต่ก่อนนี้ก็คุมกันพระคุมโยมโยมคุมพระใช้ระบบศรัทธาระบบคุณคุณสนคุมกันหรืโยมก็มุ่งคุณคุณส ไปวัดไปาไปบำรพศาสนาไปหาพระสงฆ์ได uh ้บุญจิตใจชื่นบานได้เสีสละำรงธรรมทานเพื่อให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติตศาสนาทำให้วัดบาลานเจริญพรศาสนาเจริญเาได้สื่ต่อทีศาสนาด้วยพระสงฆ์ประพฤปฏิบัติตามธรรมวินัยก็ชื่นใจญาติโยมก็เลยพลอยแล้วคอยฟังพระสงฆ์้ไหวยงไงพระสงฆ์ก็มีโอกาสแสดงธรรมแล้วญาติโยมก็เลยพลอยรู้ว่าพระสงฆ์นี้จะต้องปฏิบัติอะไรถถูกต้องนี่พอพระอไหไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยทให้ถูกต้องญาติโยมรู้ญาติโยมรู้ก็ไม่ศรัทธาไม่เคารพ ก็ยก็ต้องชื่อนะสอนเดี๋ยวไปทความผิ ง, งชนั้นอา้าวเราไปลงุงฟอไปอุป์ชาจราย์ก็ได้คุมโยมถ้าคุมโยมวยก็คุมพระอยู่กันมาได้า ม, มาปัจจุบันนี้ระบบนี้มันเสียไประบบนี้มันกลายระบบผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์ยังไงตอนนี้ยายวไม่ ค, ค่คอยต้องาการบุญกุศลต้องการโชลาพาการโชาอะไรที่จะให้โชคาบก็ถุมงคลเป็นต้นก็ไปหาพระไปเอาวัตถุมงคลเอาเงินไปให้ได้วัตถุมงคลมาก็ได้วัตถุที่จะทให้โชาแล้วก็ไม่สนใจไม่สนใจว่าท่านจะประพฤติยังไงถ้าวิญญาะ ที่ดีก็ดีไปก็เอาเงินนั้นไปสร้างไปเปุิทำประโยชน์ส่นวนรวมแต่ว่ามันทำให้เสียระบบระบบศรัทธามันหายไปก็คือต่อมาประชาชนชาวพุทธถ้าไม่ได้สิ่งตอบแทนไม่บริจาคแต่ก่อนนี้เขาบริจราคเพื่อถักเราเกลยดทำทานเป็นบุญเป็นกุศลใช่พัฒนาจิตใจขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมีเป้าหมายว่าได้มาถุมงคลอย่างนั้นแล้วจึงจะให้เงินถ้าไม่มีให้มาไม่เอาอะไรเนี้ยก็เสียนิสัยเลยระบบการพัฒนาจิตใจก็หายไปบุญกุศลหายไปมุ่งแต่โคาภผลประโยชน์อย่างเดียวต้องได้สินตอบแทนจริงจะบริจาคและที <Jub ilee> ไม่ต้องเรียนรู้เลยไม่ต้องเรียนทำวิเนียร์ไมรู้ธรรมะธรถมงคลเป็นก็ได้แหละใช่ไหมธรรมะถืมงคลอยากหรือไม่ก็ทำเองก็ได้จ้างร้านเาก็ทาได้นี่ยเขก็ทำมาให้แล้วก็ได้เงินหลคนี้ like เลยไม่รู้ทำวินียเลยอ้าวาวินยก็ไม่รู้แล้วภาานจะมสื่อย <b> ังไงนี <S <S ่นอกจากตัวมีเจตนาหาลาบหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเจตนาอื่นมก็แฝงมาจะทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้แล้วไม่มีคนคุมเพราะว่าญาติโยมที่ไปั้ต้องการวัตถุมงคลโชคลาตัวเองเขาไม่สนใจแล้วถ้าวันนี้จะพูดยังไงไป ยาเดียวเขาต้องสนใจใยาเดียวเขาก็ทอดทิ้งทประเภทที่ตั้งใจเล่าเรียนปกติไปท่าพวกนี้ก็หมดกำลังกะสู้หมดแรงไปและประการต่อหน้าเป็นไงใช่ไหมท่าที่มุมเทรงเราก็มีกำลังเข้มแข็งเหมือนมุมถังทำพิในิตรใครก็ทำไม่ได้ส่วนท่าที่เราแต่หลักกาทำพิณไม่มีใครส่งเสิเวลามีการอะไรก็ไปทำอะไรใครไม่ได้มีกาลังอนาเยวเรจะตัวเองกันได้เท้รมามแล้วก็ไสนใจด้วยใช่แล้วตกลงเป็นยังไงประสานาและในนี้เป็นยังไงหรือเปล่าเป็นไมอ่าเพราะนั้นนี่แหละระบบมันเพลินพานหมดแล้วเพราะนั บุญดุสสนะ์ระบบคุมกันดนตัะถาต่อไปก็อยู่นะศาสนาก็อยู่แต่ถ้าเราตกมาอยู่ในระบบคุณประโยชน์อย่างนี้มันก็ต้องเสื่อมแน่นอ น, น, อนก็เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นพอตำรวจแล้วนจะถลายละ4ีนะ่โมงเลยอ่าเสียดต้งใจรับนผะ่อนะ